ยังไงนอนวันในป่านนอ น, นอนหลับดวยไม่มีอะไรช่วยอำนวยความสะดวกไฟต้องไฟเทียนไฟสองทางก็ต้องไฟใายอะไรก็ต้องพึ่งตัวเองหมดแค่ริงความสะดวกสบายเราอยู่อย่างนี้เราก็ชินอย่างนี้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 นี่เราอยู่ป่าอยู่ป่าก็จิงนะสมัยนี้เดี๋ยวนี้จะให้ทุกยากลําบากกันดานเหมือนครูบาอาจารย์สมัยก่อนก็ยังไม่ใช่เพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมันมีสะดวกกว่าแต่ก่อนมากมายไม่แต่ก่อนเนี่ยแม้จะเทียนยังหายากถ้าจะลงตาทัานเราฟังอ่ะท่านเดินยุกรมท่านไม่จุดเทียนถ้าเวลาไป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 ถ้าหากเราไม่เอาจิตใจของเราไปกะไปเกณฑ์กันนั้นให้ถูกใจเรากะอันนี้ให้ถูกใจเราเกณฑ์อ น, นันให้ถูกใจเราเกณฑ์อันนี้ให้ถูกใจเราเนยอยู่ได้่มมันก็เป็นธรรมชาติของใจนะแต่ถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่ธรรมชาติของใจทีเดียวมันเป็นธรรมชาติของกิเลส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 ที่เป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันมีประจำอยู่ในใจของเราของท่าน ม, มาตั้งแต่พร้อมกับไห น, น, นกันไหนเราไม่ทราบกิเลสตัณหาอาสวะเนี่ย<ม>เราดูยังไงเราจะดูออกว่ากิเลสภายในใจของเรา<ม>เราดูไปที่ความอยากในหัวใจของเราความอยากของจิตความอยากของจิต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 ต้องโดดต้องดิ้นอยู่ทุกระยะของจิตวพราะงั้นเถิทุกขณะของจิตจิตความอยากอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าตันหาตันหาตันหามันเป็นกิเลสที่มีอยู่ภายในใจของเราทุกคนถ้าเราศึกษาอะไรไปมากถ้าไหลก็ตามถ้าหากเราไม่ศึกษา สาเหตุต้นตอของอันนี้ตัวนี้แหละมันพาให้เราพกให้เราวนให้เราลุ่มหลงลุ่มหลงไปกับสิ่งที่มันไปเกี่ยวข้องพาให้เราไปหลงสิ่งนั้นไปหลงสิ่งนีน้เนื่องจากว่ามันอยากไปสิ่งนั้นมันก็ไปหลงสิ่งนั้นอยากไปกับสิ่งนี้ก็ไปหลงสิ่งนีน้ความยิ่งรนุนความทะยานอยากของมั น, นความอยากที่เป็นปฏิปัติตรงกันข้าม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 แก่มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เราไปเกิดในท้องแม่ร่างกายก็แก่ขึ้นมาเรื่อยๆภาษาธรรมะถ้าเรียกว่าแก่ข้ามาเรื่อยคือมันเจริญขึ้นมาเรื่อยเจริญขึ้นมาเรื่อยก็เรียว่าแก่เหมือนผลไม้มันเริ่มแก่มาเรื่อยแก่มาเรื่อยเราก็แก่มาตั้งแต่ในท้องแม่คือจะเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่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 ในที่สุดก็ไปถึงแก่ถึงงอมแล้วก็ใกล้จะตายด้วยเหตุที่กิเลสที่มีอยู่ภายในใจมันรักมันชอบแต่สิ่งที่มันต้องการชอบร่างชอบกำลังวังชาชอบร่างกายงดงามชอบเต่งชอบตึ ง, ช อ, ตงชอบอะไรสักอยเวลาร่างกายมันเสื่อมมันโทรมไปตามหลักธรรมชามติมันก็มีความทุกข์ใจ นั้นมาปลอกเอาวันนี้มาแตง่งเอานั้นมาบำรุงเอาวันนี้มาบำรุงต้องการให้ร่างกายเต็มตึง ต, งตามสภาพที่จิตใจใเราต้องการเวลามันไม่ได้เป็นไ ป, นปตามจิตใจหลังกระทุกนี่แหละเป็นความทุกข์ที่มีความขัดแย้งกันอันนี้แหละทีนเรียกว่าวิภวะตัณหาปรารถนาในสิ่งที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้ทั้งทั้ง ท, ง ท, ง ท, งที่ภาวะอันนั้นมันจะเป็นไปตามภาวะของมัน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 เบื่อหนายกับสิ่งนี้ก็ไปนิยมชมชอบกับสิ่งท่านนะได้มาเชยชมเส้นหน่อยก็เบือ่อก็หน่ายก็คลายคลายจากความรักความโหยใก็ไปสลายหาสิ่งใหม่อีกแล้วอันนี้คือความที่ความไม่รู้จักความอิ่มพอความไม่อิ่มพอในปัญหาปัญหาคือความยายานอยากของจิตความอยากของใจ ได้สมใจหวังนิดหน่อยตั้งหน่อยหนึ่งก็เบื่อชินชาก็เบื่อหน่ายสแสวงหาสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นบรรดาสีในโลกที่เรามีที่เราเต็มเนียเราได้มาเราก็ยินดีพอใจเป็นการเป็นกลางเสร็จแล้วก็เบื่อหน้าต้องการสิ่งใหม่จึงคิดว่ําไปสาเหตุต้นตอของมันจระแทกเกิดขึ้นมาจากความอยากความอยากนี้มันเป็นตัวสมุทยัยมันเป็นตัวกิเลสตัณหาอาสวะ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 ฆ่ากับสิ่งนั้นแก้ไขสิ่งนั้นน่าจะฆ่ากับสิ่งนี้ฆ่าอยู่อย่างนี้แหละความเป็นไปของโลกอยู่ด้วยความติดอยู่ด้วยความคล้องอยู่ด้วยความคล้องฆ่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าการที่กิเลสที่มีอยู่ภายในใจมันไปกะไปเกณฑ์นี่แหละนี่คือกองทุกข์อันหนึ่งที่มีอยู่ภายในใจละเอียดมากอันนี้อนั่งอยู่นั่งดูนั่งเห็นอยู่ที่ตัวของตัวเราเนี่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 บางต้นเราก็ต้องการบางต้นเราก็ไม่ต้องการทิ้งไม่ต้องการกลายเป็นสิ่งรกเราก็ฟันออกเราก็ไปถางแต่ข้างบนพอเราถา ง, างแต่ข้างบนแต่ว่ามันมีรากมีเง้าอยู่ข้างล่างมันก็ลองเปลี่ยนไปไม่กี่วันมันก็แทงยอดแทงหน่อขึ้นมาอีกเราก็ฟันแต่ข้างบนเราสะเราถางแต่ข้างบนข้างล่า ง, งอ่าเริน ง, ง, ง, งอกเงยดันขึ้นมาอีกอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของสมุทรไทยที่มีอยู่ภายในกิจ โอกาสที่จะเราขุดคุ้ยลงไปให้ถึงรากถึงเงน้าแล้วก็ถอนรากถอนเน้าถอนโคนออกทั้งหมดเราไ ม, ม่มีโอกาสที่จะทำได้นอกจากเราไม่รู้ไม่เข้าใจหนึ่งไม่ได้ยินไม่ได้ฟังหนึ่งขาดความสนใจที่จะรื้อที่จะขุดที่จะคุ้ยลงไปเพื่อจะดึงต้นต่อรากเน่าอันเป็นตัวสมุทรไทยให้เกิดกองทุกข์เนี่ย เหมือนอย่างความรกที่เกิดขึ้นมาเพื่อรกที่เราจะต้องไปตัดไปฟันอยู่นึงน่งอย่างนีง้โอกาสที่เราจะย้อนลงไปนยากมากอเพราะสิ่งที่เป็นผิวเผินอยู่ข้างนอกก็เป็นเหตุให้เราคลอยเคลื่อนเคิ้มหลงไปกับมันเป็นอย่างบางสิ่งบางอย่างไม่รกสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ชอบใจกลายเป็นสิ่งไม่รกออันนั้นกลายเป็นเครื่องก็ดับกลายเป็นต้นไม้ปก็ดับ ตรงนั้นกลายเป็นร่มตรงนี้กลายเป็นเงาตรงนี้กลายเป็นเครื่องประดับตรงนั้นกลายเป็นไม้ดอกเป็นไม้ผลเป็นไม้อะไรต่างๆแล้วก็นิยมชมเ ช, มชยได้ใช้ได้สวยได้อะไรสีต่างๆเหล่านี้แต่สิ่งที่ไม่ชอบใจเราพยายามจะผากจะถางจากอะไรด้วยเหตุที่เราลุ่มหลงมวนิชมชมเชยกับดอกกับผลของสีต่างๆโอกาสที่เราทําลายความรกเนี่ยทําลายลงไปได้ยาก เหมือนอย่างกลมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจของเราที่มันแสดงออกมาข้างนอกนะมันแสดงออกมาวาดบรรยากาศวาดภาพสวยโก้รู้อย่างนั้นอย่างนี้เราก็หลงเคลิ้มเพลินไปกับมันไปตามมันอเพลินไปชมชยสิ่งนี้เพลินไปชมชอยสิ่งนั้นเพลินไปชมชยรูปเพลินไปชมชยเสียงเชยชมชยกลิ่นชมชอยรส ชมเชยความผัสสะความสัมผัสอืมมันเป็นสิ่งที่กิเลสมันออกมาชมเชยเราขโมยธรรมติตมาหลงมาเคลือบมาเพลิยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โอกาสที่จะมาพิจารณาถึงรากเง้าสาเหตุต้นต่อของมันเนี่ยไม่มีโอกาสที่มันจะให้เราย้อนไปดูมันแหลอะอโอกาสที่เราจะไปขุดไปคุยไปถึงรากหนึ่งเงาดึงโคนมันออกมาก็เป็นไปได้ยากมากอ่ะ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 ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เนื่องจากพระองค์มานั่งพิจารณาถึงผลงานที่พระองค์เคยได้ตั้งแต่สมัยเป็นพระกุมารนนั้ได้รับความสงบพิจารณากำนดลหมายใจเข้าลลหมายใจออกได้รับความสงบจิตได้รับความสงบได้รับความแปลกปราดอัจฉริยะในสมัยนั้นพอระลึกได้กคยย้อนมาจับอันนี้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 เมื่อเข้าหลักก็สามารถเกิดญาณที่เรียกว่าปูมเพนิวาสารสุสติญาณ ล, ลึกชาติต่างๆของพระองค์ได้ในยามเบื้องตน้นในยามถ้ำกลางก็เห็นกําเนิดของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหมือนอยู่ถ้ำกลางเหมือนอยู่เฉพาะหน้าของพระองค์ว่าคนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เ, เกิดจากกรรมเหล่านี้กรรมทํากรรมเหล่านี้ไปเกิดเป็นนั่นทํากรรม เรานั้นไปเกิดเรานั้นไปเกิดเรานั้นตายจากนั้นแล้วไปเกิดเรานั้นตายจากนั้นเราไปเกิดเรานั้นตายจากนั้นเรามาเกิดกันนี้เพราะผมไม่ยามเห็นพบชาติของพระองค์ไม่มีจุดจบย้อนไปนานสักเท่าไหร่ก็ไม่มีจุดจบเห็นเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายที่เรียกว่าทะลึกชาติได้ไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่กลับกี่กันเป็นกี่กลับเป็นกี่วิวัตรประกับไม่จบไม่สิ้นมีแต่เกิดตายเกิดตายยืนอยางนั้นไม่จบ มาถ้ำกลางก็เห็นภพชาติของสัตว์เกิดตายเกิดตายเกิดตายเายหมือนกันทีนี้ก็มาสแสวงหาปัจจัยว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดที่แน่นอนก็เลยมานั่งหมุนนั่งพิจารณาพิจารณา้าวไปสามาสามาสาวไปวววไปย้อนลึกเข้าไปย้อนลึกเข้าไปย้อนย้อนย้อนยอน้ยอนไปจนถึงสมุทัยสมุทัยลึกละเอียดเข้าไปย้ยอนไปจนถึงตันหาย้อนไปจนถึงอวิชชานะอาวิชชาย้อนไปจนถึงตัวจ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 ที่ติดแนบสนิทอยู่กับตัวสามารถพัฒนาจิตใจของเราเองไปทุกระยะทุกวันเวลาทุกนาทีทุกวินาทีทุกขณะจิตนี่เรากำหนดพิจารณาย้อนดูอย่างหนึ่งทำจนเคยเคยชินแล้วเราก็สามารถจะย้อนย้อนย้อนย้อ น, อนไปแก้ปัญหาที่หยาบยากย้อนไปย้อนไปปัญหาที่หยาบยากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงไม่จบไม่สิน้นมีขั้น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 พระสาวกพระอริยาสาวกท่านใดันรูุตามพระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงตรงนี้นี่เป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจแต่ก็ไม่ใช่กลางกลางแบบวาราจิตของคนพื้ น, พ, นพื้นธรรมดาเป็นกลางๆงที่เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราละแล้วเราวางแล้วสักแต่ว่า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 ชอบใจแล้วก็ถ้าเพื่อไม่เป็นเหตุให้ดีใจให้ก็เป็นเหตุให้ไม่ไม่ดีใจก็ไม่พอใหญ่คือเป็นเหตุให้ชอบกับไม่ชอบอทั้งชอบกับทั้งไม่ชอบเนี่ยอยู่ในภาวะที่ท่านเรียกว่ายึดถือความยึดถือทําให้เราชอบและก็ทําให้เราไม่ชอบความไม่ยึดถือต่างหาเราดูไปแล้วทําให้เกิดความเฉย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 แต่เราก็หวังชนะเขาหวังชนะเขาแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าเออเราโยนไปแล้วเราพ้นตัวไปแล้วแต่ภายในใจของเราเราทราบเองว่าโอ้เรื่องนี้เราผิดจริงเราผิดจริงถ้าเราไม่ยอมรับเราโยนไปที่นู่นโยนไปที่นี่แต่เรื่องของกรรมมันไม่ไปไหนมันก็มามัดใจของเราเนี่ยเราไม่พ้นทุกข์เพราะเมื่าอเราไปทําชั่วทําในที่รับทําในที่ยังไงก็ตามแต่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 เรื่องราวหลักฐานข้อมูลคือความไม่ตรงไปความไม่ตรงมานั่นแหละนี่เป็นเหตุให้เราได้รับกองตามมาทุกอย่างตามมาทุกเรื่องอเรามาศึกษาเรื่องต่างๆเหล่านี้เราทราบความเป็นไปของมันเราสามารถจะย้อนมารักษาความบริสุทธิ์ที่ใจของเราได้เพราะว่าสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้มันไปจากอานาจของใจของเราดวงเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรามาย้อนมาที่นี่เรามาศึกษาที่นี่ เราทราบสาเหตุต้นต่อแล้วก็มาแก้ไขที่สาเหตุต้นต่อโอกาสที่จะเข้าถึงสมุไทยัยสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือขั้นมูลฐานอย่างแท้จริงเราก็สามารถจะเข้าถึงได้เราก็สามารถจะแก้ได้อันนี้คือความเป็นไปภายในใจของเราที น, นี้การที่เราตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องมีเราจะต้องมี เราจะต้องมีรูปแบบเราจะต้องมีรูปแบบทำอย่างไรเราถึงจะเข้าไปรู้เข้าไปเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้โดยง่ายพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนให้เราทำจิตให้ได้รับความสงบเนื่องจากว่ากิเลสมันวุ่นวายภายในใจของเราเราทำให้ใจของเราได้รับความสงบในขณะที่ใจของเราได้รับความสงบก็คือกิเลสสงบทีนี้ทาไมจิตของเราถึงจะสงบ ทุกพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ любим, ของเราท่านจึงสอนให้เราบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือคิดอย่างใดอย่างหนึ่งคิดคําใดคําหนึ่งคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้ปล่อยให้จิตคิดล่องลอยเรื่อยเปื่อ ok, ยไปตามเรื่องนั้นไปตามเรื่องนี้ซึ่งเป็นเหตุก่อ okay, เรื่องก่อเรายืดยาวไปไม่มีจุดจบไปดีใจไปเพลินใจไปทุกข์ยากไปลําบากไปอะไรอะไรกับเรื่องกับเราที่เราเลกเราคิดให้นึกเรื่องเดียวคิดเรื่องเดียเช่นอย่าง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 พุทโธพุทโธพุทโธคือคิดเรื่องเดียวนึกเรื่องเดียวทำความรู้สึกอยู่กับเรื่องเดียวเสร็จแล้วก็กำหนดด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกอีกก็ได้นันหลวงปู่มั่นก็ให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็กำกับดึกยคำว่าพุทโธพุทโธลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุตลมหายใจออกบริกรรมว่าโธเอาจับจิตมาอยู่กับ คำว่าพุทโถแค่นี้แหละทำไปทําไปทําไปจนจิตได้รับความสงบเวลามันไม่สงบมันไม่อยู่พอเรากําหนดปั๊บมันเหมือนกับว่ามันเผลอมันออกไปแล้วละคิดไปเรื่องนี้คิดไปเรื่องนี้คือมันกระโดดออกไปความอยากนะความอยากของปัญหาที่มีอยู่ในใจเนี่ยมันไม่อยากอยู่นิ่งๆเฉยๆด้วยความทะเยอทยานของมัน่ะมันดิ้นมันรนอยู่ข้างในกระสับกระส่ายอยู่ข้างใน เราจับให้มันสงบมันดีดมันดิ้นมันอะไรเหมือนกับปลาอยู่เน้ํามันจับอยู่มามาอยู่บนบกมันดิ้นพว่พลาดเพว่พลาดเพื่อที่จะลงน้ําของมันเน่ยบันดาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเนี่ยถ้าเราจะเทียบแล้วกับเหมือนกับน้ำนะฮะปลานิสัยของมันมันชอบอยู่ในน้ําถ้าเราจับเอามาอยู่บนบกมันก็ดิ้นพวดพลดเพื่อพลาเพื่อจะเข้าน้ําดิ้นเพื่อจะลงน้ําอะ โดยปกติของจิตมันก็วิ่งรับอารมณ์วุ่นอยู่ตลอดอมันไม่เคยอิ่มมันไม่เคยพอแต่พอเรามาจับให้มันสงบมาาันก็ดิ้นซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในเมื่อเราจับบ่อยครั้งเข้าจับบ่อยครั้งเข้ามันก็เริ่มเชื่องเริ่มชินเริ่มเชื่องเริ่มฉินมันก็เริ่มไปรู้สึกว่าได้พื้นได้ฐานได้รับความแนบแน่นขึ้นมาเรื่อยๆทำเรื่อยๆทาบ่อยครั้งทำเป็นอาจิน การทําได้เป็นอาจินนั้นจะเป็นยาชูกําลังให้กับทางด้านจิตใจได้เป็นการพัฒนาจิตใจได้ทุกระยะทุกวันเวลาเพราะการที่ทําคิดให้ได้รับความสงบนั้นทําให้เป็นผู้มีคุณสมบัติคือความสงบของจิตทําให้จิตมีสมาธิทํา ง, งานทําการสินใดก็ก็ได้ผลอย่างชัดเจนเนี่ยท่านให้ทําคิดให้ได้รับความสงบจะสงบมากจะสงบน้อยจะสงบ ลึกละเอียดไปจนไม่รู้สึกไม่เกี่ยวข้องกับกายมีทั้งค่ายคำฟังละเอียดรู้สึกอยู่อย่างนั้นอ่ะจะสงบละเอียดไปเท่าไหร่ทั้งให้อยู่อย่างนั้นแหละพอเวลาจิตถอนออกมาทั้งให้มาพิจรารณาหลุงตาท่านสอนให้ทำสองอย่างนี่แหละหนึ่งทำใจใ้รับความสงบสองเมื่อจิตถอนจากความสงบมาให้พิจรารณาเมื่อพิจารณาอิ่ม หรือไม่แบบจิตจิตมันเริ่มหมดกําลังการที่จิตสงบนั้นเท่ากับว่าเราเพิ่มกําลังพอเราเอาไปใช้ไปนึกไปคิดไปพิจรารณาไปคลี่คลายให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในแง่ของธรรมะในกระแสของธรรมะมันเน็ดมันเหนื่อยก็อเอามาดึงกลับเข้ามาให้ได้รับความสงบพอได้รับความสงบยิ่งพอเหมือนกับว่ามีกําลังวางชามออกมาก็ทํางานท่านให้ทํางานสองอย่างนี้แหละสลับกันไปอย่างต่อเนื่อง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 มันไม่เสียเวลาหรอกเราน้อมจิตมาให้ได้รับความสงบเพราะจิตออกจากความสงบกับพิจารณาทางด้านปัญญามันไม่เสียเวลามันเป็นมันเป็นการเข้าไปพักและมีกาลังเนื่องจากว่าเราเอาสติเราเอาสัม ญ, ญัยมามัดจิตให้จิตเราอยู่อยู่กับที่อยู่ตลอดจิตของเราค็เชื่องจิตของเราก็มีพลัง จะมีพลังจิตมีพลังจิ ต, ม, จตมีอำนาจถ้าจิตไม่มีพลังจิตไม่มีอำนาจรวมไปถึงไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะเข้าไปพิจารณาแก้ไขสาเหตุต้นต่อที่มีอยู่ในภายในมันก็เข้าไปไม่ได้เข้าถึงไม่ได้พอเริ่มเข้าไปสัหน่อยกเกล็ดมันตีกลับมาคืนเละเริ่มเข้าไปสัหน่อยไปพิจารณาสัหน่อยกเกล็ดมันก็ตีกลับเข้ามาคืนคือมันดึงกลับมาคืนะให้เรามาอยู่ในอำนาจของมัน จะเร่มพิจาร ن รู้สาเหตุต้นต่อของมันอ่ะมันก็ทีกลับมาคืนอ่ะแต่ถ้าจิตเราสงบกําลังของกิเลสกิเลสมันก็ไม่ค่อยมามารุกรานจิตของเรามากเท่าไหรอ่อเนื่องจากว่าเราทําจิตให้ได้รับความสงบและมีกําลังมีความแนบแนมเมื่อจิตเมื่อจิตได้รับความสงบเรื่อยๆเนืงนงองๆถอนออกมาแล้วก็พิจารณาทําอยู่ในวิธีสองอย่างนี้แหละ เราสามารถจะเข้าไปรู้เข้าไปเข้าใจสาเหตุต้นตอสมุดไทยในภายในแล้วก็สามารถที่จะต่อกอนกันได้ในภายในการพิจารณาก็คือพิจรารณาธาตุฐานนี่แหละพิจรารณาความเป็นไปความเป็นมาของรูปธรรมของร่างกายอัตภาพร่างกายแล้วก็ย้อนมาพิจรารณาทางด้านนมามธรรมคือจิตใจทํางานสลับกันไปอืม แต่ถ้าหากเราพิจารณารูปธรรมคือพิจารณาร่างกายพิจารณาเห็นเป็นาธาตุดินเป็นาธาตุน้ำาธาตุลมธาตุไฟในขณะที่มันกาหนดจดจ่ออยู่กับาธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุลมธาตุไฟใจมันก็อยู่ในนั้นด้วยใจมันก็อยู่ในนั้นด้วยแต่บางครั้งอารมณ์มันรุนแรงมันก็แทกเข้ามาที่จิตเราก็ย้อนมาพิจารณาที่จิตนะเช่นอย่างจิตมีความโกรธเนี่ยเราก็ย้อนมาพิจารณาที่จิต ย้อนมาพิจารณาที่จิตแล้วก็ย้อนไปพิจารณาที่เรื่องเรื่องที่จะทําให้เกิดความโกรธ ถ, ถ้าเราจับอะไรไม่ได้จับอะไรไม่อยู่เราก็ไม่จับอาการของมันอาการมันเป็นยังไงอาการมันหนักมันแน่นมันอะไรพอเราย้อนมาเราก็ทราบพอเราย้อนมาเราก็ทราบพอเราทราบมันก็สักมันก็สักทว่าอ๋ออันนี้เองอันนี้เองอันนี้เองแล้วก็จิตมันเด่นเด่นออกมาอีก คือมันจะมาจะมาทราบอาการที่หยาบหยาบคืออาการที่กายสิกวา่ามันจะเห็นความวิวเห็นความขวัดแหว่งของกายของเราเนี่เกิดความเครียดเกิดแล้วพอเราย้อนมาแล้วก็เราทราบอาการของมันพอทราบอาการขอมันก็ย้อนไปที่จิตย้อนไปที่จิตแต่เป็นย้อนไปที่เรื่องที่ทําให้เกิดต่างๆเหล่านั้นย้อนไปย้อนไปไปทราบสาเหตุมันก็หยุดได้มันก็ชะลอดได้แบบนี้ถือว่าเป็นการตามต้อนกระงับเหตุของมัน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 หลงว่ามีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจ ม, มีอย่างนั้นมีอย่างนี้มีสัจダนุภาพอย่างนั้นอย่างนี้คิดถิมานะต่างๆนะครับมากเท่ามันก็มากขึ้นโอกาสที่จะทําผิดลู่ผิดทางผิดอะไรต่ออะไรสารพัดเนื่องจากว่าจิตของเรานะั้นมันไม่มีขอบเขตในการที่จะนึกที่จะคิดที่จะทําคนทำโมบายตามาาตามายาของกิเลสอทําเป็นไปตามมายาของกิเลส กิเลสมากมายมากกว่าแม่น้ําตันหามหานาทีน่ะนาทิตันหาสมานทีน่ะตันหาคือความดิ้นความอยากของจิตที่อุบายมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตมันก็มากมายเหมือนกับน้ํานั่นแหละมากกว่าแม่น้นําในมหาสมุทรเพราะฉะนั้นอุบายมายาความนึกความคิดภายในจิตของใครของเรานะ่ะมันไม่เหมือนกันมันจะผิดแปลกแตกต่างกันไปเลย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 แล้วก็หาดดูกายพิจารณาร่างกายนี่ก็เท่ากับว่าพิจารณากองทุกข์แล้วก็ย้อนไปที่จิตย้อนไปที่จิตก็คือย้อนไปดูตัวสมุทัยสมุทัยมันไม่เกิดที่กายมันเกิดที่จิตเราย้อนไปที่จิตเราจะเห็นตัวสมุทัยในขณะที่เราทําสัพปสัมมาสัมมาสัพปอันนี้เป็นการเดินมรรคเป็นการเจริญมรร uh คเราเข้าไปรู้เหตุผลต้นต่อของมันดับเรื่องดับราดับสมุทย uh ัย จุมจุ๋มยมยิ้ ม, มอ่าระดับไหนก็ตามระดับห ย, ยาบระดับขั้นขั้นกลางขั้นไหนก็ตามพอเราดับได้มันก็เป็นนิโรดนิโรดนิโรดมากนิโรดน้อยถึงนิโรดขั้นเด็ดขาดเป็นสามชั้นสามภูอันนี้อันนี้มันก็มันก็เข้าในหลักในหลักของอริยสัจทั้งสี่ถ้าเราไปที่อื่นเราจะไม่เจอความจริงเราจะไม่พบความจริง เราแล้วเราก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าเราย้อนมาที่นี่เราจะเจอเราจะพบแล้วเราจะแก้ได้เราย้อนไปเราก็เห็นเราย้อนไปเรายงยั ง, ยงไม่เห็นสมุทัยที่ละเอียดเราก็จะเห็นสมุทัยที่หยาบเรายืนตรงไหนเราเดินเรานั่งเรานอนตรงไหนเราพยายามย้อนเข้าไปเกิดความรู้สึกที่ใจยังไงล้วก็ ย, กกย้อนเข้าไปเกิดความรู้สึกที่ใจยังไงเราก็ย้อนเข้าไปนอกจะย้อนเข้าไปแล้วก็มาพิจารณา มันรุ่มหลงกับสิ่งใดเราก็ย้อนไปดูสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ย้อนมาดูที่ใจของเราย้อนไปดูสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นท่านยิงให้พิจรารณามีแต่การพิจารณาอย่างเดียวทนั้นหละเป็นการศึกษาเป็นการคลี่คลายให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นแนวทางเป็นทางเดิน เป็นทางเดินเข้าไปรู้เข้าไปเห็นสมุทยัยเพื่อที่จะถอนมันออกมาในเมื่อเราตั้งใจทําแล้วก็ทําถูกวิธีทําถูกหนทางเราก็สามารถจะได้ความสว่างสวยภายในใจมันหากมีความชํานิชํานาญมันหากได้กำลังจิตได้กาลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเราสะสมเรื่องความสงบ เราสะสมเข้าไปเรื่อยสะสมเข้าไปเรื่อยเราอย่าประมาทแม้แต่ขณะจิตเดียวแม้แต่แม้แต่นาทีหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีกำหนดเข้าไปทำให้ได้รับความสงบทำไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยทำไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยโดยโดยความไม่ประมาทอย่าดูถูกความสงบทำให้สงบได้บ่อยครั้งเข้าจิตใจของเราจะจะแนบแน่นแนบแน่นตั้งมั่นเป็นตัวของตัว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 มันเป็นการฝึกขัดชำระขัดกล่าภายในจิตของเราเองขัดเข้าไปขัดเข้าไปขัดเข้าไปเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านว่าปอกไปเรื่อยปอกไปเรื่อยปอกไปเรื่อยปอกไปเรือเ่อยหมดไม่มีอะไรไม่มีอะไรกนอุบายมายาของกิเลส่นนะมันเป็นเป็นกนเป็นอุบายเป็นมายาเกิดขึ้นไม่มีตัวไม่มีตนทีม่มีตนร่างกายก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตใจก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน กิเลสยิ่งไม่มีตัวไม่มีตนเป็นแต่อุบายเป็นแต่มายาเกิดขึ้นเหมือนกับประกายที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นไปสัมผัสกันเช่นอย่างหินกับเหล็กไปสัมผัสกันเกิดประกายไฟขึ้นมาเกิดประกายไฟขึ้นมาถ้าเรามาเทียบกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราสามารถเอาไฟนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ มาใช้ประโยชน์ไปในไปใช้ในทางที่ทําให้เกิดประโยชน์ได้คือบนอย่างไฟแชกเนี่ยพอเอาหินกับเหล็กไปสัมผัสกันปับ๊บเกิดประกายไฟขึ้นมาเจลีอย่างเดียวนี้เขาปล่อยเป็นแก๊สนี่ะหมตะเกียงไปใช้ไฟแชกแก๊สเนี่ยกดลงไปแล้วแก๊สขึ้นมาก็าไหม้ได้ไฟมาใช้สอยประโยชน์แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเกิดประกายขึ้นมาปับ๊บล้วเอาไฟไปจุดไปเผาไปอะไรสารพัดไปทําลายอันนั้นคือผลิตผลของกิริส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 อริยมรรคมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เท่านั้นแหละที่จะเป็นช่องทางให้เราเดินตามท่านไปและได้ประสบพบเห็นและก็สามารถเข้าไปรู้ไปเห็นเข้าไปเข้าใจตรงนี้ได้ตามภูมิตามชั้นตามความสามารถแห่นะต น, นเนะราแล้วนะพอสมควรล้ะ